หระบัญญัติ1 1 7่รก็ภิกษุณีใดบวชให้สิกขามมนาทุกๆปีต้องอบัตรตายจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูป